พระกรรมฐานเพราะว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรท่านได้มาจากกรุงเทพแล้วก็มาปักหลักที่มนทนอุดรสมัยก่อนก่อนพวกเราเกิดจากนั้นท่านก็ได้เป็นรักษามนทนอุดรจากนั้นท่านได้เป็นพระอุปชาบวชบวชหลวงปู่เขาวบวชหลวงปู่ฝันบวช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 พอตายแล้วก็หายเงียบไปไม่เห็นมาบอกมากล่าวจนถึงพระเจ้าแผ่นดินท่านหนึ่งจับนักโทษที่มีโทษหนักโทษประหารนพอเสร็จแล้วเมันตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดเสร็จแล้วก็เอากระทะหม้อใหญ่ใหญ่เป็นตุ่มใหญ่ๆห่ม้อใหญ่ใญ่จากนั้นก็เอาก่อไฟขึ้นก่อไฟขึ้นแล้วก็เอานักโทษเนี่ย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 จากนั้นมาเคาะเป็นสัตว์ที่รชานบ้างจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์รู้อะไรทั้งหมดพราะพระองค์เห็นด้วยถูกต้องาพามที่ท่านทํานายไปแต่ที้ท่านเอากะโหลกกระโหลกพระอรหรันต์ท่อนที่พระอรหันต์ที่ท่านปรินิพานแล้วนะเอามาให้เขาเคาะดูพอมาถึงก็เคาะกะโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ไม่รู้ที่ไปที่มาท่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 เขาก็ยกย่องเชิดชูบูชาเออไปที่ไหนคนก็ยอมรับว่านี่ท่านเป็นคนนี้เป็นผู้ดีคนดีช่วยเหลือชุมชนสังคมออท่านเราไปตีหัวเขาเข้าเลยตัวนี้ไปทําความชั่วเขานี่าก็รีบจับเขา้าไปขังคุกขังตารางเออันนี้เป็นธรรมชาติความดีกับความชั่วความชั่วเป็นยังไงความดีเป็นยังไงถ้าเราคิดเพียงแค่นี้เราก็คงจะรู้ได้ว่าเอาดีนัชั่วนั่นคืออะไรนะ